ไปพินกับสิ่งนั้นไปอิงกับสิ่งนี้อยู่การศึกษามากรู้มากมีที่อ่านใจตองอะไรกำหนังนั้นอันนี้ให้ยกเล่นทั้งหมดในขั้นรุ่มแรกจะนำเข้ามาสนใจไม่ได้จะทำงานในวงปัจจุบันนี้ให้เสียไปเมื่อได้ทำจนปรากฏผลขึ้นมาครั้งนี้ครั้งนั้นหลายครั้งหลายหนนี้วความคล่องแคล่วของจิต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 ของสติมีแล้วสติจะทันในในหลักธรรมชาติของตัวเองตัวเองของตัวเองตัวเอ ง, เ, อ ง, เ, องเลื่อยไปเื่อยไปนี่ชื่อว่าถูกต้องตามหลักการปฏิบัติในวงปฏิบัติที่ท่านปฏิบัติกรินเมื่อได้ดำเนินไปตามกรอบแห่งธรรมที่ถูกต้องอในวงแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องย่อมจะปารากฏผลขึ้นมาเล ย, เลยแต่เคยมีความผู้ช้าบุ่มบาขนาดไหนทยศขนาดไหนก็เถอะ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 มื่อรู้เมื่อเห็นแล้วก็ปล่อยวางไปโดยลําดับลำดับแล้วถอนเข้ามาถอนเข้ามาเนี่ยคูยยังไงตามล่าที่เดชของตัวเองนั่นแหละซึ่งมันไปเที่ยวซุ่มส่อนอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้จนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาเอาในวงธาตุวงขันก็พิจารณาเข้าไปอีกเช่นเดียวกันเมื่อปัญญาได้สอดเข้าไปในตรงไหนได้แทรกเขาเ้าไปตรงไหนความจริงความรู้ความเข้าใจมันจะต้องเกิดขึ้นโดยลํำดับลําดับ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 สมบัติั้งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีผลไปโดยลําดับลําดับเนีย่ยงานอันนี้เป็นงานทางด้านจิตใจเป็นงานรื้อถอนสิ่งที่รกลุงรังอยู่ภายในใจิตใจให้ออกในจิตใจมีความสว่างกระจ่างแจ้งออกมาโดยลําดับลําดับขายแส้มาตามคุณภาพของตนที่เป็นสิ่งที่มีคุณภาพมากโดยธรมธรมชาติของจิตแต่พอถูกปกคลุมหุ้มห่อไว้ในด้วยสิ่งที่หาคุณค่าหาราคามาได้ด้วยสิ่งตกตกัวตัม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 ดุงนี้แล้วเสือคนนี้มันเคยหากินคนเไ ป, ไป็นประจําวลากลางคื น, นออกมานก่องท<อ>ี่ท่านาจารชอบนีนอเองด้วยเนี่ยพอเสือมันฉ า, ากมาจริงแล้วท่าน้านกล่องอเอองนี่ยเราคงจะ ยังไงก็ยังไงล่ะมันนี่วะคนเราจนก่อมันเข้าก็เคยเข้าอยู่แล้วกิเนี่ยไมี อ, อะไรพึ่งเขาพึ่งตัวเองตัวเองก็หมายถึงทำภายในนั้นเขาบกกำหนดเลยทันทีคือมันจนก่อลแล้วท่านั้นก่อฉากฉากท่านี้ก่อฉากฉากวันนี้ท่านั้นก็ฉากมันมันจะให้สังหวะพร้อมๆกัน น, น่ะพยานกระเถือเทพผมรู้แหละ คือเทพบันดาลใจก็ได้มันหลายอย่างนะพอเห็นท่าเติมมุมจริงเท่ากำหนดจริงคือท่านปล่อยหมดไอ้เรื่องคำโน้นคำนี้ท่านปล่อยหมดแล้ิตเข้าเขากำหนดอันนี้จิตก็ขยับลงไปเลยทันทีจต่มยังไม่ถึงพื็เนเลยพอขยับลงไปแล้ ว, ลวก็ขุดขึ้นมาหนังที่ตอนน้าพันเนี่ยเพราเสือทําอะไรทําอะไรไม่ได้ไม่ต้องกลัวหนงงังฟังสิเนี่ยที่เป็นเรื่องอัศจรรย์อน่ะ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 เขไม่เรียกว่าทำจะได้อะไรพูดอย่างนี้แะ้วทำไมมันจะหมดน้ำมันนี่มันล่อนอยู่ไม่ทรางลงได้เ ม, มื่อไหร่ก็ลงไปดิไม่ท่านทำจะอะไรเน่ล่อนไปร่อนมาน้มันหมดแล้วตกตายแตว่าถ้าไม่จะทำแล้ว อ, อะไรฉะนั้นมันก็หมดปัญหาทัท น, าาท น, นทีท่านาจามัท่าอะไรเนี่คืออันนี้ความทำอย่างาราบเลยต้กงมี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 ถ้าว่าเป็นอันเดียวกันท่านมาพูดทาไมว่าปัญญาอุดยปานีอะไรอย่างาั้นปานิปัญญาอุดปานีอจะรย์ลด้หือจาเป็นอะไจะต้องมาพูดถ้าเป็นอันเดียวกันปัญญาหมายถึงความละเอียดปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วอย่ญญางได้เกิดขึ้นแล้วฮัลโลกุตตปาดิความสว่างกระจ่างแจได้เกิดขึ้นแล้วในธรรมจักรโบราณสุ เอาเนี่ยพูดเราเนี่ผมมันมียาส่งงเดาเอาเาพูดสนุกหนึ่งเอา